ก้าพเจ้าพระมหาภัยบณ์อภิปุณโญกลับมาพบกับท่านบุฟังอีกครั้งหนึ่งทางสตานีพิทูซ อ, อยริร์มร้อตั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านบุฟังเรามาพบกันก็ให้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะโดยในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวต่างมาเล่าให้ท่านบุฟังฟังอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างเรื่องที่เป็นคําสอนที่เป็นพุทธพจน์บ้างหรือเป็นนยิยต์เป็นอัตตะ เป็นอาธาิบายที่ได้เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาบ้างส่วนในวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังกับคุณสรนสนีนาคพงศ์มาเป็นการต่อปัญหาคุยเรื่องราวต่างๆในสังคมปัจจุบันบ้างและในช่วงนี้ช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธนั้นข้าพเจ้าก็จะได้นํานิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอยู่ซึ่งนิทานธรรมบทนั้นก็เป็น เรื่องราวที่จริงๆแล้วเป็นหลักสูตรในการเรียนของนักเรียนป ร, รียนธรรมในชั้นระดับป ร, รียนธรรม1นสองแล้วก็ป ร, รียนธรรม3ประโยคซึ่งเป็นเรื่องราวเป็นนิทานที่เป็นการอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั่นคือส่วนที่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างที่เราเคยเคยได้ยินกั น, น, นเช่นอัตตหิอัตตโรนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือที่คุณคุเช่นว่าจิตที่ฝึกดีล้านํำสุกมาให้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นพุทธพจน์ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นคาถาเป็นคำเป็นคำ ร, ร้อยแก้บ้างร้อยกรองบ้างแต่ซึ่งในธรรมบทนี้เขาก็นำคาถาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาอธิบายว่าเรื่องเดิมของในคาถานี้ก่อนที่จะตรัสกรรมที่เป็นพุทธวจนะ ที่เราเรียกกันว่าพุทธศาสนสุภาษิตในปัจจุบันเนี่ยได้มีเรื่องราวใดๆเดิมๆมาก่อนข้าพเจ้าก็จะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธโดยในเรื่องราวต่างๆนั้นสั้นก็มียาวก็มีในท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูศัพ์แสงอะไรต่างๆอาจจะเป็นศัพท์ที่เป็นของสมัยโบราณสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ยากเกินที่จะทําความเข้าใจแต่เป็นเรื่องราวที่แฝงเนื้อหากติธรรมอะไรไว้ต่างๆอยู่มากมาย แล้วเป็การอธิบายพุทธพจน์ด้วยแต่ถ้าเราจะพิจารณาดูให้ดอนนีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแ จ, แจง้งของพุทธพจน์นั้นมาอธิบายในวันนี้ก็จะได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระโสระยะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท่านโสระยะนี้ตอนที่ยังเป็นฤาษดอยู่เนี่ยมีการแปลงเพศ จากชายเป็นหญิงจากหญิงกลับมาเป็นชายในอันนี้คือไม่ใช่ด้วยวิทยาการสัญญกรรมนะไปผ่าตัดฉ่ะ อ, ออกไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นลักษณะของเรื่องของกรรมซึ่งในเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับท่านพระมหากระจี ย, ยนะด้วยจริงๆแนละ้วเรื่องของความที่เราจะเกิดมาเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายเนี่ยอันนี้ถ้าเราทําความดีมีบุญพอสมควรวเราสามารถที่จะอธิษฐานเปลี่ยนเพศได้นะในชาติ ใม่พบใหม่ที่เราไปเกิดและในนิทานเรื่องนี้เขาก็อธิบายถึงความที่ถ้าเราทําผิดศีลแต่จากผู้ชายเนี่ยทำผิดศีลชา ต, ติต่อไปถึงความเป็นสัตว์โลกแล้วแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เศษกรรมยังมีเหลืออยู่แล้วก็จะทําให้เกิดเป็นผู้หญิงได้ด้วยผู้หญิงถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นเพศชายและวเขาก็ได้อธิบายเอาไว้แต่นั่นเกิดในลักษณะของการข้ามภพข้ามชาติแต่เรื่องของท่านพระโสรยะที่น่าสนใจนี้ก็คือว่าในชาติเดียวกันนี่แหละ นด้วยความเป็นอัตภาพเดียวกันนี้ท่านเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายกลับมาเหมือนเดิมแล้วได้บวชเนะด้วยเหตุอันใดเราไปตามรับฟังกันเรื่องพระโสเรยะเทระพระาศาสดายัางพระธรรมเทศนานี้ว่าณนะตังมาตาปิตากิริยาอันเยวาปิจะยาตากา สัมมาปะนิหิตังจิตตังเศยโสนังตะโตกรังมารดาบิดาก็รือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นซึ่งเรื่องนี้ตั้งขึ้นในโสริยนครให้จบลงใน กรุงสาวัตถีก็เมื่อพระสมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีลูกชายของโสระยะเศรษฐีในโสระยะนครนั่งบนยานน้อยอันสบายกับสหายผู้หนึ่งออกไปจากนครโสระยะเพื่อต้องการจะอาบน้ำพร้อมกับบริวารเป็นนันมาก วันนขณะนั้นท่านพระมหากเจยนะเทระมีความประสงค์จะเข้าไปสู่โสริยนครเพื่อบินบาบห่มผ้าสังกติภายนอกพระนครก็ร่างของพระเทระมีสีเหมือนทองคารรลูกชายของโสริยเศรษฐีเห็นแล้วจึงคิดว่าสวยจริงหนอ เถระรูปนี้ควรเป็นภรยาของเราหรือสีแห่งร่างกายของภรยาของเราพึงเป็นเหมือนสีแห่งร่างกายของพระเถระนั้นดังนี้ก็ในขณะศักว่าเขาคิดแล้วเท่านั้นเพศชายของบุตรเศรษฐีนั้นก็หายไปเพศหญิงได้ปรากฏขึ้นแล้ว เขาละอายจึงลงจากยานน้อยแล้วหนีไปจนใกล้เคียงจำลูกชายของเศรษฐีนั่นไม่ได้จึงกล่าวว่าอะไรนั่นอะไรนั่นแม้นางนั้นก็เดินไปสู่หนทางอันไปยังเมืองตากาศิลาฝ่ายสหายของลูกเศรษฐีนั้นแม้เที่ยวค้นหารอบๆก็ไม่พบชนต้องปวง อาบน้ำเสร็จแล้วได้กลับไปสู่เรือนเมื่อชนทั้งหลายกล่าวกันว่าบุตรเศรษฐีไปไหนชนที่ไปด้วยก็จึงตอบว่าพวกผมเข้าใจว่าเขาจากอาบน้ำกลับมาแล้วขณะนั้นมารดาและบิดาของเขาค้นดูในที่นั้นๆเมื่อไม่เห็นจึงร้องไห้รำพันและได้ถวายพัดเพื่อผู้ตาย ด้วยสำคัญว่าลูกของเราตายแล้วเศรษฐีบุตรที่ได้เปลี่ยนเป็นเพศหญิงแล้วเห็นพวกเกวียนหมูหนึ่งไปสู่เมืองตั ก, กศิลาจึงเดินติดตามยานน้อยไปข้างหลังข้างหลังขณะนั้นพวกมนุษย์เห็นนางนั้นแล้วกล่าวว่าหล่นเดินตามมาข้างหลังข้างหลังแห่งยานน้อยของพวกเราทำไม พวกเราไม่รู้จักหล่อนว่านางเป็นลูกสาวของใครนางนั้นจึงกล่าวว่านายพวกท่านจงขับยานน้อยของตนไปเถิดดิฉันจะเดินไปเมื่อเดินไปเดินไปเกิดเมื่อยเข้าได้ถอดแหวนสําหรับสวมนิ้วมือให้แล้วให้ทำโอกาสที่ว่างในยานน้อยแห่งหนึ่งเพื่อตนพวกมนุษย์นั้นคิดว่า ลูกชายของเศรษฐีพวกเราในกรุงตักกศิลายัางไม่มีภรรยาเราเท่างหลายจะบอกแก่ท่านบรรณาการใหญ่จะมีแก่พวกเราแบบนี้แล้วพวกเขาไปถึงเมืองตักกศิลาแล้วจึงบอกกับเศรษฐีในเมืองตักกศิลาว่านายแก้วคือหญิงพวกผมได้นํามาแล้วเพื่อท่านลูกชายเศรษฐีนั้นได้ฟังแล้วก็เรียกนางมา เห็นนางเหมาะกับวัยของตนมีรูปงามน่าพึงใจมีความรักเกิดขึ้นจึงได้กระทำไว้ให้เป็นภรยาในเรือนของตนตอนชายอาจกลับเป็นหญิงและหญิงอาจกลับเป็นชายได้จึงอยู่พวกผู้ชายชื่อว่าไม่เคยกลับเป็นผู้หญิงหรือพวกผู้หญิง ไม่เคยกลับเป็นผู้ชายย่อมไม่มีเพราะว่าพวกผู้ชายประพฤติล่วงในภริยาทั้งหลายของคนอื่นแล้วทำการลับไปแล้วไม่ในนรกสิ้นแสนปีเป็นอันมากเมื่อกลับมาสู่ชาติมนุษย์ย่อมถึงภาวะเป็นหญิงสิ้นหนึ่งร้อยอัตภาพถึงพระอนุเทระผู้เป็นอริยะสาวก มีบารมีบำเพ็ญมาแล้วทั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏในอัตภาพหนึ่งของท่านก็ได้เคยบังเกิดในตระกูลช่างทองทำกรรมคือการประพฤติล่วงพระยาผู้อื่นไม่ในนรกแล้วด้วยผลกรรมที่ยังเหลือได้กลับมาเป็นหญิงบำเรอชายในสิบสี่อัตภาพ ถึงการถอนพืชคือเป็นหมันใน7อัตภาพส่วนหญิงทั้งหลายทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงตั้งจิตว่าบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอจงเป็นไปเพื่อกลับเป็นอัตภาพชายดังนี้แล้วเมื่อทํากาล้าไปย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชาย พวกหญิงที่มีสามีดังเทวดาย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายแม้ด้วยอำนาจแห่งการพระนิบัติดีในสามีเหมือนกันส่วนลูกชายเศรษฐีนี้ยังจิตให้เกิดขึ้นในพระเถระโดยไม่แยบคายจึงกลับได้ภาวะเป็นหญิงในอัตภาพนี้ทันทีนางนั้น ได้ตั้งกันแล้วเพราะอาศัยอยู่ร่วมกับลูกชายเศรษฐีในเมืองตกศิลาโดยการล่วงไปสิบเดือนนางได้คลอดบุตรในเวลาที่บุตรของนางเดินได้นั้นก็ได้บุตรแม้อีกคนหนึ่งด้วยอาการอย่างนี้บุตรของนางจึงมีถึงสี่คนคือบุตร ผู้อยู่ในท้องสองคนและบุตรผู้เกิดเพราะอาศัยเธอครั้งที่เมื่อเป็นผู้ชายอยู่ในโสรยานกรอีกสองคนในการนั้นลูกชายเศรษฐีอีกผู้หนึ่งในโสรยานกรผู้เคยเป็นสหายของนางได้ออกจากโสรยานกรไปสู่เมืองตากศิลาด้วยเกวียนห้ารอเล่ม นั่งบนยานน้อยอันสบายเข้าไปสู่พระนครขณะนั้นนางเปิดหน้าต่างบนพื้นปราสาทชั้นบนยืนดูระหว่างถนนอยู่เห็นสายนั้นจำเขาได้อย่างแม่นยำจึงส่งสาวใช้ให้ไปเชิญมาแล้วให้นั่งบนแผ่นพื้นที่มีค่ามากได้ทำส ก, การะและสัมมาณะอย่างใหญ่โต ขณะนั้นสหายนั้นกล่าวกับนางว่าแม่มหารมญในการก่อนแต่นี้ฉันไม่เคยเห็นนางก็เมื่อเป็นเช่นนี้เชนไหนนางจึงทำสักการะแก่ฉันใหญ่โตนางรู้จักฉันอย่างนั้นหรือจ้านายฉันรู้จักท่านท่านเป็นชาวโสรยานก่อนไม่ใช่หรือถูกแล้วแม่มหารมญ น, นางนั้น ได้ถามถึงความสุขสบายของมารดาบิดาภรยาและลูกชายทั้งสองที่เหมืองโสระยานนครสาไนี้ก็ตอบว่าแม่หมามเมรินชนเหล่านั้นสบายดีก็เธอรู้จักชนเหล่านั้นอย่างนั้นหรือนางนั้นตอบว่าเจ้านายฉันรู้จักลูกชายของท่านเหล่านั้นมีคนหนึ่งเขาไปไหนเล่าสาไฮตอบว่า แม่มาจำเริญอย่าได้พูดถึงเขาเลยฉันกับเขาวันหนึ่งได้นั่งยานน้อยอันแสนสบายออกไปเพื่ออาบน้ําไม่ทราบที่ไปของเขาเลยเที่ยวค้นดูรอ บ, รอบๆก็ไม่พบเขาจึงได้บอกแก่มารดาและปิดาของเขาแม้มารดาและบิดาทั้งสองของเขาก็ได้ร้องให้คร่ำครวญทํากิจอันควรทําเก่คนพูดที่ล่วงรับไปแล้ว นางนั้นจึงได้ตอบว่าฉันนี่แหละคือเขาผู้นั้นสหายนั้นจึงได้กล่าวว่าแม่มหมาจําเริญนางพูดอะไรจงหลีไปสหายของฉันย่อมงามเหมือนลูกเทวดาและเขาก็เป็นผู้ชายด้วยนางนั้นจึงตอบว่าช่างเถิดนายฉันนี่แหละคือตัวเขาขณะนั้นสหายจึงถามนางนั้นว่าก็เรื่องนี้เป็นอย่างไร เธอจงเล่ามานางนั้นจึงได้ตอบว่ากวันนั้นท่านได้เห็นพระมหากัจเจนะเถ ร, ระพระผู้เป็นเจ้าไหมใช่วันนั้นฉันเห็นอยู่ก็ฉันเห็นพระมหากัจเจนะผู้เป็นเถระแล้วได้คิดว่าสวยจริงหนอพระเทระรูปนี้ควรเป็นภรยาของเราหรือว่าสีแห่งร่างกายของภรยาของเรา พึงเป็นเหมือนสีแห่งร่างกายของพระเถระนั่นก็ในขณะที่ฉันคิดแล้วนั่นเองเพศชายได้หายไปเพศหญิงได้ปรากฏขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันไม่อาจบอกแก่ใครได้จึงหนีไปจากที่นั้นด้วยความละอายมานะที่หนีแล้วละ่ะตายจริงเธอทํากำหนักแล้วเหตุไรเธอจึงไม่บอกแก่ฉันเล่าเอาแล้ว ก็เตยได้ให้พระเถระอดโทษแล้วอย่างนั้นหรือยังไม่ได้ให้ท่านอดโทษเลยก็ท่านรู้หรือว่าพระเถระนั้นอยู่ที่ไหนก็ท่านพระมหา迦รยณะก็อาศัยอยู่ในนครตากศิลานี่แหละก็ถ้าอย่างนั้นหากท่านพระมหา迦รยนะเที่ยวบินตบาตพึงมาในที่นี้ไซฉันพึงถวายพระตาหารแก่พระผู้เป็นเจ้าของฉันถ้าอย่างนั้น เจ้าจงรีบทำส ก, การะไว้ฉันจะไปนิมนต์ท่านพระมาหากเจนะมาที่นี่บุตรของเศรษฐีที่เป็นสหายไปสู่ที่อยู่ของพระเถระแล้วไหว้แล้วนั่งอยู่ในที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับท่านพระมาหา迦ัจนะอย่างนี้ว่าท่านขอรับพรุ่งนี้ขอนิมนต์ท่านมารับพิษาของกระผม พระเถระจึงกล่าวว่าบุตรเศรษฐีก็ท่านเป็นผู้มาจากเมืองอื่นไม่ใช่หรือท่านกอรับขอท่านอย่าได้ถามความที่ผมเป็นผู้มาจากเมืองอื่นเลยพรุ่งนี้ขอนิ้มนท่านรับภิกษาของกระผมเถิดพระเถระนั้นรับนิมนแล้วก็ในเรือนของหญิงนั้นได้จัดสักการะไว้เป็นอันมาก เขาได้ตเตรียมไว้แม้ในเรือนเพื่อพระเถระในวันรุ่งขึ้นพระเถระได้ไปสู่ประตูรเรือนหลังนั้นขณะนั้นบุตรเศรษฐีที่เป็นสายนิมนต์ท่านให้นั่งแล้วเลี้ยงดูคืออังคาดด้วยอาหารประณีตพาหญิงนั้นมาแล้วให้หมอบลงที่ใกล้เท้าของพระเถระ เรียนว่าท่านขอรับขอท่านจงอดโทษแก่หญิงผู้สหายของกระผมพระเถระจึงกล่าวขึ้นว่าก็เรื่องนี้เป็นอย่างไรกันปุษตีจึงเล่าให้ฟังว่าค้าแต่ท่านผู้เจริญในการก่อนคนผู้นี้ได้เป็นสหายที่รักของกระผมเป็นผู้ชายแต่เขามาพบท่านแล้วเกิดความคิดไม่ดีอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น เพศชายของเขาได้หายไปเพศหญิงได้ปรากฏแล้วขอท่านจงอดโทษเทิดท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นเธอจงลุกขึ้นเถิดฉันอดโทษให้แก่เธอพอพระเสระเอ่ยปากว่าอดโทษให้แล้วเท่านั้นเพศหญิงได้หายไปเพศชายได้ปรากฏขึ้นแทนเมื่อเพศชาย พอกลับปรากฏขึ้นเท่านั้นบุตรเศรษฐีในเมืองตะกาศิลาที่เป็นสามีของนางที่เพิ่งกลับเพชเป็นชายได้กล่าวกับเธอว่าสหายผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเอ๋ยเด็กชายสองคนนี้เป็นลูกของเราแม้ทั้งสองโดยแท้เพราะเป็นผู้อยู่ในท้องของเธอและเพราะเป็นผู้อาศัยฉันผู้เป็นพ่อเกิดแล้ว ก็เราทั้งสองจะอยู่ในนครตากาิลานี่แหละเธ อ, อย่าได้วุ่นวายใจไปเลยโสระยะเศรษฐีบุตรที่เพิ่งได้รับการอดโทษจากท่านพระมาหาการนะจึงได้กล่าวกับเศรษฐีบุตรในเมืองตากาิลาผู้ที่เป็นสามีว่าท่านผู้ร่วมทุกข์ฉันก็ถึงอาการอันแปลกคือเดิมฉันเป็นผู้ชายมีภรรยา ได้บุตรสองคนแล้วถึงความเป็นผู้หญิงอีกมีสามีได้บุตรอีกสองคนแล้วยังกลับเป็นผู้ชายได้อีกโดยอัตภาพเดียวเท่านั้นครั้งก่อนบุตรสองคนก็อาศัยฉันโดยความเป็นพ่อเกิดขึ้นแล้วที่โสรญาณนครเดี๋ยวนี้บุตรสองคนขอดจากขันของฉันในเมืองตากศิลานีเธ อ, อยา ทำความสำคัญว่าฉันนั้นถึงอาการอันแปลกโดยอัตภาพเดียวจะอยู่ในเรือนต่อไปได้อีกฉันจะบวชในสำนักของท่านพระมาหาการนะเด็กสองคนนี้จงเป็นภาระของท่านท่านอย่าประมาทในเด็กทั้งสองคนนี้นันีน้แล้วได้จูบบุตรทั้งสองคนลูบหลังแล้วมอบให้แกบิดาส่วนตัวเอง ออกไปบวชในสำนักของพระเถระฝ่ายพระเถระให้เธอบรรพชาอุปสมบทแล้วพาเที่ยวจาริกไปได้ไปโดยลำดับถึงเมืองสาพถีก็นามของภิกษุรูปนั้นได้มีชื่อว่าโซรยะเถระชาวเมืองรู้เรื่องนั้นแล้วพากันแตกตื่นอลมานเข้าไปถามท่านว่า ได้ยินว่าเรื่องเป็นจริงอย่างนั้นหรือท่านผู้เจริญพระโสรายะได้ตอบว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นชาวเมืองจึงได้ถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญชื่อว่าเหตุแม้เช่นนี้มีได้อย่างนั้นเชียวหรือเขาลือกันว่าบุตรสองคนเกิดในท้องของท่านด้วยความที่ท่านเป็นมารดาส่วนบุตรสองคนอาศัยท่านเกิด ด้วยความที่ท่านเป็นบิดาก็ในบรรดาบุตรสองจำพวกนั้นท่านมีความสเสน่หามากในบุตรจำพวกไหนพระโสรยะตอบว่าก็ในจำพวกบุตรที่อยู่ในท้องอาศัยเราเกิดโดยความเป็นแม่เช้าเมืองเหล่าอื่นผู้ที่มาแล้วมาแล้วก็ถามอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเสมอไปพระเทระก็บอกแล้วบอกเล่า ว, ว่า ก็เรามีความเสน่หาในบุตรผู้เกิดในท้องโดยความเป็นแม่ของเรานั่นแหละมากกว่าดังนี้แล้วพระเถระเมื่อบอกแล้วบอกเล่าอยู่อย่างนั้นเกิดความรำคาญใจเมื่อรำคาญใจแล้วจึงหลีกออกอยู่ผู้เดียวนั่งคนเดียวยืนคนเดียวเมื่อท่านเข้าถึงความเป็นผู้หลีกออกเร้นอยู่คนเดียวอย่างนี้ เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไปในอัตภาพบรรลุพระอรหัสต์แล้วพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายต่อมาพวกชาวเมืองผู้ที่มาแล้วมาแล้วก็ยังมาถามท่านอีกว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าเรื่องเป็นแบบนี้มีแล้วข้อนั้นเป็นอย่างนั้นรอพระโสรยะตอบว่า ควานั้นเป็นอย่างนั้นท่านบูมีอายุก็ท่านมีความสเสน่หามากในบุตรจำพวกไหนพระโสระยะตอบว่าก็ขึ้นชื่อว่าความสเสน่หาในบุตทคนไหนๆของเราย่อมไม่มีภิกษุทั้งหลายได้ยินความนั้นจึงได้กราบทูลกับพระศ า, าสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้พูดไม่จริงในวันก่อนๆพูดว่ามีความสเสน่หาในบร ที่เกิดในท้องของตนมากกว่าเดี๋ยวนี้พูดว่าความเสน e h หาในบุตรคนไหนๆของเราก็ไม่มีเธอย่อมพยากรอาณาธพนพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพยากรอาณาธพนหาไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เวลาที่บุตรของเราเห็นมรคทัศนะ ด้วยจิต ท, ที่ตั้งไว้ชอบแล้วความสเสน e หาในบุตรคนไหนไหนไม่เกิดเลยจิตเท่านั้นซึ่งเป็นไปภายในของสัตว์เหล่านี้ย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดาไม่อาจทำให้ได้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่านะตังมาตาปิตาหิริยาอัเยวาปิจะยาตกา สัมมาปะนิหิตังจิตังสยโยนังตโตกเกรมารดาบิดาหรือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นดังนี้ตอนแก้อัดมรรดาคำเหล่านั้นคำว่าณตัง คือไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้ความว่ามันดาบิดาและญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้เลยส่วนคำว่าสัมมาปานิหิตังแปล ว, ว่าอันตั้งไว้ชอบแล้วหมายความว่าตั้งไว้ชอบแล้วเพราะความเป็นธรรมชาติอันตั้งไว้ชอบในกุศลกรรมบททั้งสิบส่วนข้อที่ว่า ส ย, ยโสนังตโตกเรพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นหมายกว่าว่าพึงทำคือย่อมทำเขาให้ประเสริฐกว่าคือเลิศกว่าได้แก่ให้ยิ่งกว่าเหตุนั้นยิ่งอยู่มารดาบิดาเมื่อจะให้ซัพ์แก่บุตรทั้งหลายย่อมอาจให้ซัพ์สำหรับไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีพโดยสบายในอัตภาพเดียวเท่านั้น ถึงมารดาบิดาของนางวิสาขาผู้มีทรัพย์มากถึงขนาดนั้นมีโภคคามากมายได้ให้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีพโดยสบายแก่นางในอัถภาพเดียวเท่านั้นก็ธรรมดาอันมารดาบิดาที่จะสามารถให้สิริคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทวีททั้งสี่ย่อมไม่มีแก่มบุตรทั้งหลาย จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมานดาบิดาที่สามารถให้ทิพยสมบัติหรือสมบัติมีวตมชาญเป็นต้นจะมีได้เล่าในการให้โลคุตรสมบัติย่อมไม่ต้องกล่าวถึงเลยแต่ว่าจิตที่ตั้งใบชอบแล้วย่อมอาจให้สมบัตินี้แม้ทั้งหมดได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ส่ยโสนังตะโตเกรเรแปลว่าพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นในเวลาจบเทศนาส่วนป็นหนิลมากบลุกอริยาฝนทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนทั้งหลายเรื่องพระโสรยะเทระจบและนั่นก็คือเรื่องของท่านพระโสระยะ ที่เกิดที่เมืองโซเรยะนะครมาจบลงด้วยพุทธศาสนสุภาสิต ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้และมีการสรุปในเรื่องนั้นที่เมืองเชตาวันเนเป็นเรื่องที่ประหลาดพอสมควรแต่ดัมบูฟังคิดว่าฟังแล้วก็พอจะเข้าใจได้นะว่าท่านนั้นได้ไปคิดปรามาสท่านพระมหารกระจยนะตอนที่ตัวเองกําลังเดินทางไปสู่ท่าน้ําเพื่อจะอาบน้ําแำด้วยความคิดที่ไม่ดี เนี่ยเป็นกรรมขึ้นทันทีเลยท่านเปลี่ยนแปลงเพศเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็ได้มีสามีแล้วก็มีลูกในด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หญิงตอนที่เป็นผู้ชายอยู่นั้นเป็นลูกเสียดีก็มีเมียอยู่ก็มีลูกที่เกิดตอนที่ตัวเองเป็นสามีเน่ยเป็นพ่อน่ยมีลูกอยู่สี่คนสองคนแรกตอนที่ตัวเองเป็นพ่อสองคนหลังตอนที่ตัวเองเป็นแม่แล้วก็มาถามว่าไอ้ท่าน รักลูกคนไหนมากกว่ากันแต่ท่านอธิบายว่าลูกที่เกิดจากคันของตัวเองนั่นเองรักมากกว่าแต่พราะหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมในตรัสรู้ธรรมะเบื้องสูงแต่ตรงนี้ต้องสังเกตได้เลยเป็นบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าจะใชอ้อยืางสม่ำเสมอแต่ถ้าพูดถึงว่าใครเป็นบุตรของเรานบุตรของเราเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นพระอารหันต์ละแต่สำเร็จธรรมะขั้นสูงละถึงจะเรียกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า ได้อย่างเต็มปากเต็มคำมานะซึ่งในที่นั้นหลังจากที่ท่านคลายความรักความเพลินราค่าชันต่าต่างๆหมดแล้วแล้ก็มีเมตตาไม่มีประมาณในสปรปสัดทั้งหลายเหมือนกันมีเรื่องที่เพิ่มเติมจากนิทานของเรื่องท่านพระโสระยา น, นี้ก็คือว่ า, าด้วยเหตุปัจจัยที่ท่านพระหมหากระใจนะณนะที่ท่านมีความเป็นรูปงามมากนะมีผิวพรรณงามมีความหล่อเลา้ยมีลักษณะมหาบุรุษเนี่ยที่ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว และนี้มีในเรื่องอื่นๆในประวัติของท่านเนี่ยได้มีอธิบายเอาไว้ด้วยเหตุนี้จึงทําให้โสระยะเศรษฐีบุตรเนี่ยเขามาคิดปรามาใช่ไหมพอหลังจากที่ท่านทราบความเรื่องนี้แล้วก็มาขอขมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอทราบความเรื่องนี้แล้วเราก็เลยอธิษฐานจิต ท, ท่านบุฟัง ว, ว่าเอ้ยถ้าอย่งนั้นฉันรูปงามมากนี่มันไม่ดีมันเป็นอันตรายมันเป็นลักษณะว่าไปเบียดเบียนคนอื่นแต่ไม่เขาคิดไม่ดีงั้นก็ ขอให้เรามีรูปที่มันอ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นนะไม่ได้รูปงามสันทัศน์เหมือนแต่ก่อนแต่ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่มาของพระสังกาจายทูกฝั่งที่เราเห็นตามโรงเจหรือว่าตามศาลเจ้าเนี่ยเขาจะมีรูปพระสังกจัจจายใช่ไหมที่เป็นพระอ้วนๆเลยนี่แหละแต่พระสังกาจายนี่ก็คือท่านพระหมหากระจียนนี่แหละที่หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็อธิษฐานตัวเองหรือทําตัวเองเนี่ยให้มีลักษณะอ้วนทวนขึ้นมานะไม่ได้น่าดูรูปงามเหมือน อย่างแต่ก่อนนะนี่คือเป็นสิ่งที่ท่านต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะเราก็จะเห็นพระที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ที่เราเรียกกันว่าพระสังกจายนั่นะก็คือท่านพระหมากระใจนะนั่นเองเนะืต้นเหตุที่ทําให้มีพระสังกจายพระอ้วนอ้วนท่านพระหากระใจน่าเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรื่องของพระภิกษุ์ชื่อโสระยานนั่นเองนะในคถานี้ที่สรุปจบพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงความที่ตัวเองทําตัวเองแตนะ่คนอื่นจะมาทําให้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรำดีคำชั่วก็ตามมารดาบิดาก็ทําให้กันไม่ได้สามีจะทําเป็นภรรยาลูกจะทําให้แม่นไม่สามารถทําได้บุญหรือบาปเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นทําเองเราพอรู้ข้อความนี้แล้วเราให้ตั้งอยู่ในการกระทําที่เหมาะสมเราจะทําการกระทําที่เหมาะสมเหล่านั้นได้สติเราต้องตั้งขึ้นเป็นผูั ง, งสติที่เราจะมาละสิ่งที่เป็นอกุศลสติในการที่เราจะกระทําสิ่งที่เป็นกุศล ให้ตั้งขึ้นเอาไว้อยู่อย่างสม่ำเสมอเราทำอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาตัวเองบุคคลเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในตู้เซฟมีกองทหารป้องกันหรือว่ากินยาอย่างใดให้มันรักษาตัวเองให้มันดีขึ้นมาชื่อว่านั้นเป็นการรักษาตัวเองแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการรักษาตัวเองที่ดีแต่ถ้าปอกว่าเราละสิ่งที่เป็นอกุศลกระทำสิ่งที่เป็นกุศลอยู่อย่างเนืองนิด การที่เราละบาปสร้างบุญนี่แหละเป็นการที่เราเรียกว่ารักษาตัวเองไว้อย่างดีในรักษาไว้ด้วยอะไรก็คือรักษาไว้ด้วยสติในรักษาไว้ด้วย ส, ต, ววยสติในการที่จะทำสิ่งที่ดีงามรักษาไว้ด้วยสติในการที่จะไม่ไปคิดไม่ไปพูดไม่ไปกระทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอีกแ ง, ง่มุมหนึ่งในเรื่องนี้ที่เราจะดูรู้เห็นได้ก็คือว่าบุนคคลที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยอย่างกรณีของท่านพระมหากขจายนะ หรือว่าพระสังฆายเนี่ยถ้ามีคุณธรรมสูงแลนะเป็นผู้ที่เลิศในด้านการจําแนกแจกธรรมด้วยในะเวลาที่เราไปคิดปรามาตทํากรรมที่ไม่ดีด้วยทางความคิดแค่นี้เองนะในเรื่องนี้แค่ทาความคิดยังไม่ทันพูดจาด่าทอยังไม่ทันไปตีลงไม้ลงมือก็มีผลอันไม่งามไม่หวานเกิดขึ้นแลนะเป็นผลที่ไม่ชอบใจละ่ะซึ่งในที่นี้ก็คือว่าแปลงเพศเปลี่ยนเพศไปแนะในทางตรงกันข้ามทุกฟัง ในบุคคลที่มีคุณฑลธรรมสูงอย่างนี้ถ้าบอกว่าเราทำกรรมที่ดีไ่นจะเป็นความคิดที่ดีมีเมตตาจะเป็นการพูดจาที่ดีไหะมีการหน่อนน้อมมีการพูดจาถามปัญหาธรรมะที่เหมาะสมมีการกระทําทางกายโดยการถวายทานบ้างด้วยการแสดงความนอบน้อมบ้างล่านี้ยิ่งจะเป็นกรรมที่ดีให้ผลที่เป็นไปในเบื้องสูงที่ดีมากขึ้น น, นั่นเองและถ้ท่านผู้ฟังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะเรื่องราวใดๆที่อยากจะฟังเพิ่มเติม หรือก็อสักถามในบทคาถานันทิกาเจ้าในที่นี้ก็ยกภาษาบาลีมาให้ฟังด้วยเนี่ยก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าใรสนียบัตรติดต่อมาทางรายการได้โดยส่งมาที่วัดป่า ด, ดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหมายเลขใบนีสี่หนึ่งนน ห, ออง ห, งห น, น, นึ่งสาหรือว่าเขียนเป็นข้อความส่งมาทางเว็บไซต์ที่เพียว a รรมะ .com p u r e DHA MMA.com กลาวจ้าประมาหาปัญบุญาพี่ปุ่นโนงก็ขอลาไปก่อนเจริญป่อน